หมวดที่สิบสองภิกษุทั้งหลายนิยสกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยชอบธรรม 3. ส, สงพร้อมเรียงกันลงภิกษุทั้งหลาย